นะโมตัสสะะะวโตอะระหะโตัมมาตัมุมตัสสะจตังดัตังสตขะวะหันติอิมัตตาัมมัปิยาจะอตโาะตมัเตหิตตจัโตตปมิ ละดัชนีจะได้แสดงคำอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมติดหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรถมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ทีมประจำวัน เเกี่ยวกับการปฏิบัติตก ร, รกมาฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจาการกำหัดํารมาเราก็เรียกกันมามากเรียนท่าเป้าปุตป้าวินยัย และพระปรมาสตโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนจะต้องถึงกับปัจจุบันกามเรียนปริยัตยิจริยธ <c oughs> เราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตามแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากจะย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มาก ต่ยอมเป็นโนทางให้พูกมากเราพวกธรรมะกันเน็นเป็นพุ่งเป็นแตกฟังกันแล้วเกิดไปจับต้องชนปลายไม่ถูกจนก็นทั่งพูกฟังเงงเงงจนไม่รู้ตักใจะจับเอาอะไรมาปุปบัติให้เป็นประโยชน์แต่ทีวิตประจำวันกันจริง อันนี้เป็นปัญหาที่นธรรมะโดยเฉพาะ่างยิ่งพาพุทธเราจะ ต, ต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อย ก, กว่าสองพันปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติคธรรมมีความ ร, รู้ความเข้าใจกันพอสมควร แต่ถ้าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหนกันเร่งโลภมาเร่งรู้มากก็รู้สึกว่าใจยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันจะบ้างดีไหมเพราะวาเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองอเพราะธรรมะกระเนี้ยงของจิตใจโดยตรง มนโปนปกทังเข้ามาทำมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้ว แ, แต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบนก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งสึ่งเกิดจากความคิด เพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องปุขุนอกุขุเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิดมันซ่มพลังงานขึ้นเพื่ออย่างเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอาตุศุทั้งหลาย เมื่อเด่นมันคิดซาโ่นอาตุสนทีนี้กยงไป่คิดมันก็ไม่รู้เร็จมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดหนักหนักเข้าคิดไม่จิดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อเกิดพลังงานเส้นแข็งในทางอาตุสนพลังอันนั้นมันก็มันก็ปฏิวัติจิตให้เหฮหันไปในทางสายอาตุสน เมื่อเป็น่นั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่แบาปเอาุสุเพราะฉะนั้นนักรากท่านเปนมีโอตาวิตีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นติสุเช่นละลึกถึงุนของบบปะอาของพระทุพระธรรมประสงเมตตามารดาตูวาอาจารย์เป็นต้น พยายามคิดนจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางผู้ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งสิตให้สร้างแต่ผลแตุผลสดสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีคีอเหตุมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่า เราได้สึกหัดติดของเราให้ในะความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยให้เราปล่อยความรู้สึกไม่คิดให้เป็นไปตามอําเภอใจหรือตามบุญตามตรรมเราเล่อไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นประโยน์เป็นธรรมเป็นวินัยมาสกัดสั้นเอาไว้เมื่อเจ็บของเราโปล่อย ไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอเราตัดสิงที่ควรให้โลกก็ปล่อยแล้วก็ตัดสิงที่ควรให้โกรก็ปล่อยเราตัดสิงที่ควรให้หลงก็ปล่อยปล่อยโดยไม่มีการหักห้ามโดยไม่มีการติดฝนอกลมให้นอนล้าไปในทางดี ดัะนั้นจิตของเราติดลยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อจะพบอะไรซึ่งจะมาย่ยยุให้เกิดกีเดสเช่นนั้นเราจะระงับไม่ได้แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเปนมาอย่างนั้นเข้าใจเรื่อต้นแล้วในกลานในตอนต้นแล้วว่า การที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันทันจริงๆนี่เราจะทําอย่างไรธรรมาภาพขอถามท่านผู้สั่งว่าท่านป็ิญญาณตนรับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุท้เจ้ า, าเป็นพระบรมมาสการดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่า พระบรมมหากษสตร์ของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาจจะมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งไราว่าถ้าใครจะเป็นลูกจิษของเราแต่าคตอย่างข้อจิให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่า ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังเกีไม่คิดอิจฉาลิษยาใส่ใส่เนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจใส่อย่างนี้การปฏิบัติธรรมควรจะบอได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังกีไม่คิดอิจฉาลิษยา ถ้าใครพยายามปลูกสังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีถือ่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทัง่งจิตใจของเราสร้างตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดดบียนจะตงเห็ น, งนใงแกรอิจฉาลิสยาก็ย่อมไม่มดีโดยวิธีการนี้ก็จ ะ, จะได้ในหลักคำว่าละความตัว เราม่ทันละการเสื่อได้โดยเด็ดขาดา็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่กลมเกลงไม่รังแกไม่เพศอิชาลิษยามันเป็นการทําลายบาปที่จะเป็นเสกเส้นทางกายทางวาจาความอิชาลิสยาเป็นบาปที่เสกเส้นทางใจ แล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นโซนผ่านป็นคุณธรรมที่เป็นโซนผ่านถ้าจะปฏิวัติถ้ามันไปตรงกับหลักสองสีนห้ามันก็ได้ในสีนห้าข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่าเว้นจากการค่าก็อเวนจากตามสีนข้อปานาติบัติ เล่อนจากการกาาเดียดดุน ก, กา็จะเล่นจากกับกินนาทานเรล่อนจากการสมเข็งก็จะเล่นตามในปุถุชาจาันเรื่อนตามอิจขารตษยาก็จะเรื่อนจากมุสาวาสแตสุราดังนั้นจึงเป็นการได้ใจตามว่าเสนห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันการปลอดภัยของสังคม ถ้าหากาครพวกเรายึดมั่นในศีลห้าข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นก็จะมีความเดือดร้อนอยู่แต่พวกมีศีลห้าย่มไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปตอกันทํำศีนให้ใครเดือดร้อนอละไม่ว่าด้วยศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม และอีกอยาหนึ่งศูนย์ห้าเป็นศูนยม่ําปรับเพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมะคาสอนของเจ้าดายรมศาศาศาศาัสสตาดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอใยึดมั่นในศีนยห้าประการแม้น่านมีศูนยห้าข้อนี้ย่ยบริเสุทธิ์บริโภคแล คามเป็นมนุษของท่านสมบูรณ์ร้อยเป่อเป็นติดเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคนงามความดีอันใดลงไปคนงามความดีอันนั้นก็จะสังแน่นในตายในวาจาในใจของท่านและบรรจงเป็นงามความดีในเบื้อนสูงขึ้นไปโดสามารถที่จะหัดจิตใจให้ดำรนไปสู่ทางมรรคผลนิ่ผ่าน แค่ย่อมจะทําได้พระผู้ที่จะโคตรควรแต่มักผลนิพพานกานอย่างแค่จริงนั้นอย่างต่นก็เตยมนต์สูงขึ้นไปก็เพริบดาจินตงต่ำกว่าโทมของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมักผลนิพพานได้อย่างดูก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อไนไส่ในตำสนหรือได้กาเรเลื่อไนไส่ในคุณพระลักษณะไตรเท่านั้น แค่จะนั่งการปฏิบัติธรรมนี่ศีืจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศสื่มห้านี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้จะโกหกเลยพระพุทธศาสนาสองศูนยิสอง้ยี่สิบเจ็ดแต่ถ้าว่าศสืมห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศิษย์ศิษสองรอยี่สิบเจ็ดงอยู่ไม่ได้ ร้อยสิบิบสองร้อยยี่สิบเ็ด 27, นี่มันเป็นคุณธรรมเรื่องสุดผู้ควรแก่บุคลคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมาลุกตยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องสีลที่นี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อู่นี้ก็มีสู่ปลาลกว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติแทธรรมกรรมฐานที่วัดสองหลวงพ่อบ้าง เมื่อไดิน่า้ารู้สกก็ยินดีในความม่คิดของท่านพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นวุญเป็นกุ่ลแต่ความรู้สึก ข, ของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระเมนสดแผ่เมตตา่งสมาธิยูที่บ้านของเราเอง โดยจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดแจ่นย่อมหรือวัด้อยๆอยขึ้นภายในครอบตัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกกานไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญโดยการทำจริง เรียนอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอารัคนาอาชมะมาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันก า, ารเป็นครูบาอาจารย์ของเราในจงเทศน์นี่ก็มีขมเสพไปไม่ว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศทะยานทโยมฟังกลบแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมี อาตมามีวิชาการรูป้ประมาเทศพญาโจมฟังได้แตเรียนไปจากกุงเทพที่วัดเขปรคุมแล้วก็ไดไปศึกษากับพระเดชพระคุณได้พระคุณสมเด็จเจ้มหาวีระบงติส ม, มหาเถระที่วัดบรมนิวาสไม่บ่อยชั้งเหมือนกันแค่จะนั่งธรรมะที่เราฟังฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แต่ผู้ฟังทางนั้น ห า, หากเราจะไม่เลือดโตเลือกอาการโตเลือดเอาคำทีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าสิใจนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เด็ดสำคัญเจ็ตรงที่ว่าเราต้องทำสิกให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งะล็ก จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทันสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถจิจะทันสติตามรู้การเดินเดินแน่นอนเปนเดิ น, น, นทำพูดคิดโยนภพลงหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างยุตศึก ไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกมาธิเจ็ดวันสิบห้าวันเรี๋ยจะไปภาวนาพธิ์โเยศหนอปองหน้อถั่มาอาระรหังอะไรพวงนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเพื่อตื่นขึ้นเราเล็กรู้สิ่งใดเลอมีความคิดอะไรเก็ดขึ้นเขาจะพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้น ในบทสาคัญมันอยู่สันที่ตรงนี้ยอหนอพางหนอก็เป็นเครื่องโลภของจิตเครื่องละลึกของติตสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องโลภของจิตเครื่องละลึกของจิตโคตรพอก็เป็นเครื่องโลภของสิตเครื่องละลึกของจิต ท, ทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราโผล่มัญญัติขึ้นมาเป็นคำคำ เอามาเน้นไว้ที่สิตแล้วก็ทําสติควบคุมโลดูกับสิ่งนั้นๆที่เราเน้นอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ไหม่ถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอภิสิทธิมหาสาวก คือท่านได้สําเร็จพระอรหันต์มาก็าไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึนจะสําเร็จได้บางท่านก็สําเร็จเพราะบริรรมภาวนาบางท่านก็สาเร็จเพราะพิจารณาเป็นจิตันบางท่านก็สําเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสําเร็จเพราะพิจารณาเวทนา บางท่านเพียงกับฟังเทศจบคาถาเดียวได้สาเร็จพระอราหันต์แล้วจะจะนำโอปปนิสสยใจคอของผู้ิจรัตและทันมเทศนาย่มเป็นต่างๆ่างกันไม่เหมือนกันถ้าต่างตนต่างสร้างบา ร, รมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นลักปฏิบัติธรรม เพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามตามเป็นจริงกันจริงๆแล้วพอได้โปย์สลัดข้อข้างใจสงสัยในระเบียบที่คือการปฏิบัติสมาทานออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากมากแล้วพยายามทำให้มันจริงจริงอ ท, งทอดแทงคอปฏิสังขาโตก สติเป็นองค์การแห่งการจัดสรุปสติจะเป็นองค์การแห่งการจัดสรุปได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยสารอบรมให้มากๆากจะทาให้มากมากเียจิตของเราจะมีสติสัมปทัญยะเพิ่มมาได้เจตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคำถือท่านจึงสอนให้บริสัมภาวนาพโพธิบัณฑ์นัมมา阿拉หังบัณฑ์เยสหนอตองหนอบ้าง พอจะดีสามมาละหังก็ดียศหนอพอหนอก็ดีตปนสิ่งโลภของสติเป็นสิ่งละเล็กของสติกายรัตตาสติการพิจารณาผมผลและฟันหลังเลือเอ็นกระดูกเป็นเส้นแตดีก็เป็นการทํำสติให้มีสิ่งโู้ทํำสติให้มีสิ่งละเล็ก บอกเราว่าเป็นอบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเส้นแสงสึนส้นเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ถ้าท่านจะถามอาจะว่าการภาวนาเนี่ยต้องการอะไรอาจารย์ก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าการสร้างสติให้มีพลังงานเส้นแสงขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งที่เราเลี้เห็นด้วยตาหูสมองเล่นใจหรืใจสึงละนั้นจะเป็นแต่เพียงสิ่งเลี้ของจิตสิ่งละเล็ดของสติถ้าหากเ้าภาเวลาแล้วจิตตรบสว่างลงไปเห็นภาพในเลึกต่างๆเลือ ร, รู้ธรร ม, มะอะไรแปลกเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดวหัวใจคนอื่นได้ เราสามารถเลื่ได้หัวใจใข่ดาใจใส่ขาวใจใข่บริสุทธิ์สะอาดแม้จะเลืได้เก็งถึงขนาดนั้นก็เป็นเพีงเครื่องเงลื่อของสึ่เครื่องละเลิกของสติเพราะจะเป็นก็ว่าเราไปเลือดเอาสิ่งเลืสิ่งเก่งเป็นเรื่องสําคัญกระบัง น, นักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งกุศลศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรา มายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะเพิ่มปาดขนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความดึ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเสด้นได้จะในตอนตอนน้นนะว่าจะโทดถึงเรื่องการสิทธิาพทถึงเทคนิคการใช้กรรมาฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน โดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมาฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเข้าที่ได้ี่สูตรและพิจรารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลักสามประการหนึ่งขอให้ท่านจงพยายามทาสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินเดินทาพูดคิด ของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนเพืคิเทศเรื่องอะไรทำปฏิตามรู้สิ่งนั้นนั้นโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟาังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ กำหนดโลลงที่จิตของตัวเองแล้วทำปติปลอยต้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดโลลงที่จิตแล้วตราดใดที่กายกับติตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ส่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูสนูกนิ้นทายแต่ใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำปฏิปล ต, ต้องอยู่ที่จิต เราไปคิดว่าทุกโอกาสทกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตกสไรู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางเล่นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตก็รู้สังจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในไรทำรองนี้เราก็ยิ่งทำตทั้งตามรู้สิ่งเหล่านี้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 เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่ส่งคือหลักของการบริกรรมภาวนาห <c oughs> ลักของการบริกรรมภาวนาเนี้เราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยศหนอตองหนอเกโทสัมมาอ拉หังเป็นต้น ต่อวิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินโคบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมาเนี่ยถูกสอนมาด้วยการภาวนาผู้โผลแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาผู้โผล่ท่านบอกให้กําหนดรู้ลงที่เจ็บแล้วก็นล็กผู้โผล่ผู้โผล่ผู้โธล่ผู้โธไว้ที่เจ็บในเมื่อเจดบั้านโผลมันไปคิดถึงสิงอื่น ท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปกกว่าแปลปกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตเลกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในไม่เจ็บของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันดุ ถ้าเจ็บจะสงบลงก็ภาวนาเพื่โทก็ปล่อยให้มันสงบเมื่มอเบืปอความตกความสงบลงเป็นหนึ่งตัวเอก็สักการ์เกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปจะไปติดถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใจลำบากใจที่ว่าภาวนาเพื่อทอเพื่อทพื่โธแล้วเจ็บมันไม่อยู่กับพื่อทอประเดี๋ยวมันก็วัดไปคลดถึงสิ่งอื่น ถ้าว่ามันไม่อยู่กับพุโทโธปล่อยให้มันคิดไปเลยอย่างตอนๆริเราอาจจะนลกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันเพิ่งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปลอยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปเลละ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 แม้แต่รรมณะเองคอยอธิบายให้ญากกติโจมฟังดุโลกเจตจำนงก็ยังเคยมาขัดขันถาวเวล า, วาพอพอแล้วเมื่อเจ็บมันทิ้งพอพอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะโต้ใหญ่ซิเพราะว่าอย่างนี้ทีนี้อสมณะก็เลยถามว่าคนเคยทดสอบไปแล้วหรือย่างเคยผ่านแล้วหรือยัง หาว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านพอได้โปกจากคาทัดทัน้นก็เดี๋ยวจะอายญาตโยมบางคนเขาส่งบางคนเขาเพียงแค่ว่าทำสติตามเรื่องการเดินเดินนั่งนอนจินเด่นทําพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักสิแต่เมื่อเวลานอนหลับเงใจ ส, สมาธิบังเกิดเจิดแต่โทมิตโทมทาํารู้องถุปมาสมาทานได้เหมือนกัน บางท่านบริกรรมภาวนาพระโพธิ์พระโตสิทไม่อยู่กับพระโพสัยให้มันคิดไปแล้วทันกรสติตามรู้ไปในที่สุดจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันนในข้อนี้ขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันคิดเจรนาเช่นอามาบริกรรมภาวนาเช่นพุะโพธเป็นต้น เราจะต้องทํางานเป็นสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิดประการที่สองทำสติประทองจิตให้มันเลิกอู่กับบริกรรมปาวนาลคือพุทโธขันนั้นนี่เราทํางานเป็นสองอย่างซ้อนกันไปพุทโธก็คือามคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันเลิกพุธโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันเก็ท้องมันไปเอง เราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเท่าที่ในทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้เิพมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายและตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่าย พ้ะต่อไปเป็นมินคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรร ม, มาฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี่หลักการที่สามข้าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือเป็นการพิจรารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักวุจัยจิต เดือดเป็นคารวา่าทุกกล่องเ่ำเรือโดยปกติย่ำเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชากานนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเทศที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจําเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองลองคิดดูสิ เช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาพัดทำสติรู้เลิกว่าเราปฏิบัติสมถันเพาะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งละลึกของสติเช่นเดียวกันแต่อย่างผิดไหนเราก็จะต้องคิดู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเรา แล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมถานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติสมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีถ้าจะได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายนีย่ปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่ได้ผลดี ข้อหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกืนอื่นทำพูดคิดแล้วการที่สองบริกรรมภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าถ้าไม่อยู่เขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไป ระการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยิดเอาถึงนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานผ่านถึงทำสติกำหนดตามโูกสิ่งนั้นนั้นที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทรามจิดให้สงกเป็นสมาธิมีปีตีมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกัคตาได้เหมือนกัน จได้เจตเมื่อสงบลงเปนเองเอกกับเอกกัสตวตาโดความเป็นหนึ่งเรียกว่าเจตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีตายหายไปหมดจางเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งผลางอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นเจตของผู้ภาวนาก็เป็นสรรมถธิสมถะ ในธนาที่เกิดตู่ในสมถะกรมมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นผส ม, มจิตผส ม, มสมาธิผสมจินยานิุดมมาทัปภะเพียงแค่ว่าพห้อยู่ตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิด แม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามแต่เราแบบนี้ปัฏนานรู้ว่ในเมืม่อจิดสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิขั้นนี้ความรู้จิตไม่คิดจะไม่หลแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นจะมองเห็นร่างกายเป็นโรกะดู ก, ก็เพียงจะด้ดูดึกเฉยๆจิตไม่มีความไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่มีความคิด วความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นเจตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ่าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วเจตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆ เห็นสภาวะที่ปลากรอการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาเจิตดวงนี้จะเคลย์ๆดยู อ, อย่างนั้นเพื่อจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีกล่มมดบังหยับเขาจะไม่ยอมเลียกเชื่ออะไรเลยพวกสิ่งก็อย่างมีแต่ความเป็นกลางไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทางสิ่งอันนี้คือจิตสถมถะ เดสมาทานไม่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสองผ่านการคน้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสามผ่านการตามรู้ตามลมเมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยเป็น อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดี การพิจารณาแบบหลักการหลักสูตของวิปัสสนากรรมาฐานก็ดีหรือการตามรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังติดให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่าง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติสมถานเนี่ยขอในก่อพยายามปฏิบัติให้มันถึงกันกันทัศน์เราจะได้เลิกเสียงกันทัศนเดี๋ยวนี่พุทธบริษัทปวดหัวถ้าเป็นทบตายแล้วใครแทบธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นฟุ้งเป็นแฝจนกระทั่งพากันงงยังกระต่ตาแส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 ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติตรงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องยานเรื่องฐานทับไปก่อนอย่าเร่งไปไหว้ก่นกเอาท่านแต่เพียงแค่ว่าเจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาเจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทําให้เจิตของท่านคล้องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์ โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเราสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้่านอะไรก็ท่านขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะดีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้ว เชอย่างการภาวนาพูโ้โตพูโ้โธพูธโ้โตในตอนแรกๆหนึ่งท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพูโ้โธแต่เมื่อท่านได้ผูโ้โตบังก้องตัวแล้วจนปลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพูโ้โธผู้โตพูโ้พโตอยู่ตอลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นได้แก่คนหนึ่ง แกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องตรวจลมก็ไม่เป็ดอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องพบทลมหายใจจะท่องพุโทโธเงใจอยู่สิบห้าวันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวดีสบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุโทโธแต่ติดเขาท่องเองเขาท่องอยู่าพุทลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่า ทำไมใจของคนนี้จึงลุกเป็นไฟได้ก็บอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้เขาสอแสดงให้เห็นว่าเจ็ดมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่หลับดับอ้พ่อแม่ก็บอกว่าเออรักษาไว้ให้มันดีอย่าให้มันดับ เมื่อเวลาดอนแก้ใกล้กลวันแก่จะตายหลังจากที่พระสวดมนเทศกันจบแล้วก็เดินไปหาแกาไปถามว่าได้พระโสวดมนได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแก่ก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เหลือนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งรุกแรงกว่าเต่าบางทีเกิดตกใจนึกว่าไปไหม้บ้าง ทีนี้ไปเลยสั่งบอกว่าเวลานี้กําลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกําหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุงย่งอยู่แก่ก็บอกว่าเออทีนี้งานพองอาตมาเสร็จเพินวันที่สามพอลงเท้าวันที่สี่แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติจังโงโลปาปาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทําจริง สามารถทำจิตให้พ่องโคตโทได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสวา่างถ้าแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้ที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไปขึ้นมา เราจะต้องจะยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุคหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่มเป็นอะไรนะให้งานเสร็จก็ก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าเออพอ ง, งานเสร็จแล้ว ก, ก็ไปทันที อันนี้โดยการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคร่องตัวในตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดึ่มทำพูดคิดเมื่บอบประมาณสักเดือนเศษนี่ผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่า โน้ไปปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทําสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินเดินทำผูกคิดไม่เคยได้นังสมาธิภาวนาเลยแต่แต่แล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปเกิดกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดติดดูมั น, ใ น, ใ น, ในใคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกาย เ, เป็นโครงกระดูกแล้วก็ ล ะ, ละเอียดหายสาบโูนไปหมดไม่มีอะไรเหลือโนไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจรารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได้ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสั่งทรรม การฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเสิ่งละลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยจดยเอาอารมณ์ปัจจุบัน เป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็เปิรทำตติู้อยู่กับสิ่งทีู่้อยู่ในปัจจุบันส่งอาศัยหลักทั่วไปโดวยวิธีการทมตติกรรมหนดู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทมผู้จิสู้ลมหายใจอันนี้เป็นหลักทมสมาธิแบบสาตคน เมื่อเราพยายามสฏิัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกทานเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่นทำพูดเิศพวกลมหายใจ เป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเม้หาเราสามารถฝึกขัดจนคล่องตัวแต่ว่าเราจะปะหยัดไปทางไหนยืยนโดนนั่งนอนรับทานดื่มทําผู้คิดสตทิที่ทรงพลังจะทําหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิต เมื่อเป็นเป็นงั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วทั่วไปเพียงแต่เราทำแติการรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดในตอนไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหน ไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐ า, านเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ต้องสลงานในหน้าที่ที่เรารับผิดแ ท, ท้อยู่ไปสู่สถานที่วิเศงใดเราปฏิบัติกานเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้ และในหลักมหาสติปสถานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การใช้กลับก็รู้การโคแขนเหยียดแขนรู้การกระทุดตาลูการคิดอ่านอะไรรู้เอตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้ เมื่อติสัมปชัญญะทรงพลังส้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถทีิจามรู้คว า, า, ามรู้สึกนึกคิดเราตามเชลื่อนไหวั้งเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าส้นจิตสามารถที่จะ มีสติตามรู้ทุกสิงทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตในจำวันของเราทุกขนาจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารณ์ตีสุขเอกคตายจะมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะได้เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับ โดยธรรมชาตของบุคคลเราที่นอนลงไปพอสีสาสถึงเหมือนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาอย่างยิ่งผู้ิิ่เป็นนักธุรกาจเกตที่ต้องใช้การคิดมีความกังวลจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิตตาถะสารพัพที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามเราที่เขาฟ้องอยู่ เม่เป็นฉะ น, นั้นในหัดทันปฏิตามรูความคิดสิคิดขึ้นมาเองเมื่อเปิดนอนหลับลงในในไปเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างเมติติและเมวามสุขเมื่อเป็นเฉะนนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดเกิอนอย่างลุง่ บางที่เพียงใดที่ยังคล่องใจอยู่ให้จะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปคนคิดทิจรณาแล้วก็ก็ปัญหาข้อข้างใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุด แลาะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติเลยความสุขความสงบภายในสมาธินั่นด้วยหลางตายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมพอในตายจะเดินหมุนเวียนได้สร้งตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิ แต่ว่าท่านอยากแปลกใจว่าท่านสมาธิแล้วนอนไม่หลับท่องคุนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโลกไรลา่าสตรแต่พท้ที่จริงนั้นตายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขไม่ยอมหลับพขาสงบลองไปกลายเป็นตัวพุรธธะโพธิ์โลโพเตินโพเบตบบานอยู่ตลอดเพลินย่่งลง เมื่อเราตืนขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปรง่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ผ่านตสวเศษธรรมะคหรือเปล่าอาตาเร็วธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลา ธรรมะอาจจะเกดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติหน้าอกาสใจก็ได้ดังนั้นจึงขอ โ, โอวาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดเป็นย่างลุงจิตไม่สงกอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ ขณะใดาที่เสินสมาเทศปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ระโยมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจิตก็จะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาเสินสมาเทศปัญญ า, าระโยมท่้อมก่อนขณนดจิตไดขณะจิตลั่นแยมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้น แม้เราจะโยนเดินนั่งนอนรับทานเดิมทำพูดคิดมองคลั่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อายไล่พลังที่เราได้สืบผัดเปิดเผนติตต่อกันเป็นจิตวัตรประจําวันทางทางที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิเอ่สมาธิก็เปิดเ้น บางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมตัดเน็แต่จิตก็มีอ า, าออ ก, การสงบผู้กล้าเตินไปและรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อ น, นี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจ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 แม่แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึงหกปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระผู้ใจเจ้าใช้เวลาหกปีวิสัยของโลกเสร็จโลกขาทุษสา ว, าวกนี้ควรจะใช้เวลาสักยี่สิบปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดแต่อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะ บานทีเวลาโจรจะชื่นใจสมาธิเกิดขึ้นในสมานั่นได้สําเร็จมากผลนิพพานจจไปก็มีผมเถไปพยายามปลูกฝังการเชื่อมั่นในคําสอนของสำเด็จจะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่แน่และเชื่อมั่นในสมถภาพของตัวเองแต่เราสามารถที่จะทําได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยสถาิรบยญสติสมาธิปัญญาเป็นพระห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงจะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็สู้ครานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสําคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่น ในตัวเองคูมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิความภาคเทียนพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเทียนพยายามที่จะปฏิบัติเรามีการตั้งใจคือสติเราสกิดสติให้มีความแน่วแน่ละมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิ เมื่อเรามีสัทธาวิยะสตสิสมาธิสมาธิที่อคทนดีแล้วเป็นพ้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาตัา ส, ดดสตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตและวางรักษาอยู่ที่กายวาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทานรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทารเดินทาผู้เทศจูตกลมหายใจนั่นเอง อันนี้แหละสุปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวแรกเป็นยอดตีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวแรกเป็นยอดตีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะโดยอยู่ที่การเดินเดนนั่งนอนนัดทานดื่มทำผู้คิดความเปลี่ยนแปลงในอริยาบทีท่จล่าตลอดการคิดอ่านย่อ ม, ม, มเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราเต้าไปเรื่อย ถ้าเราเปลี่ยนที่เดนเปลี่ยนที่เยียบย่างไปด้วยเมื่อเราเดินก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเราเมตสติสัญญะดีแล้วเพียงแต่กาหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเดียบก็สามารถที่จะเกิดความสําคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เปี่ยง เมตตามดิเรยาบอว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ตีดสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงสัญญาสามารถที่จะสอบของรู้ได้แต่ความคิดที่เกิดเส้นดับไปอยตลอดเวลาแต่ในใจสัญญาท่านมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดจัดอยู่จะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่เรามาเป็นหลักหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาของความคิดที่เกิดจากอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นคงสติก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความเจ็บจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่วันไหลเปลี่ยนแปลงไลเง้เอียงกับความคิดบนั้น แต่ถ้าธนาจิตใจโมหะครอบงำเจตจะยึดความคิบนั่นทันทีเมื่มอเจตของเรามายึดความเคิบนั้นความตรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อำบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นตามมาตันหากําลังจะเล่นงานเราแล้วเมืเกิดความยินร้ายนั่นมีภวะตันหากําลังจะเล่นงานเรา เมื่อประเยุททั้งสองอย่างเพราวะว่ปัญหากําลังจะเล่นงานาเราแล้วเมื่อเราเล่าวามมาา่าการมาปัญหาเพราะวะ่ปัญหาวิ่เพราะว่ปัญหามีตนอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับปัญหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่พุกจะไม่เกิดจำไม่มีเมื่อทุกอาศัายปัญหาเป็นแองเกิดปรากฏซึ่งกิตของโู้ปฏิบัติ แมว่าการรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเป็นสุขแล้วอาศัยคามยินดีความพอใจนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งทุกข์ปรจักจะดังโผลขึ้นในจิตเพราะทุกเอร์โศกเปิดจ น, นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจ ะ, จะทําจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปราบตขึ้นมาอีก ในมโมโุกราเกิดขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุประษักษ์ในขณะนั้นทางสุข ท, ทังโทษทัองสองอย่างนั่นแหละตรรละวะลัวโทกอริยสัจที่เราผู้ปจกายตรัสกลลุเนื่อโทษโซกราเกิดขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสุผลทึ่เกิดขึ้น บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตพยายามสามารถที่จะ ร, รู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกข์ขนาดจิตต่เป็นว่าจิตของเรารู้ปัจไรลัก อ, อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขนาจิตเมื่อทุกข์เราเกิดขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรทัง้กปนิดังโลกังอริยสัจจังประเด็นเยยันจิเมติปะเว โดยการที่เจอท้องหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะทรงทำตติกำหนดรู้แล้วพระโตองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์แล้วท่านให้ทันปฏิกำหนดรู้เพราะจนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่เห็นจริงว่านี่เจอทุกข์จริงๆยอมรับธาตความเป็นจริง เมโทคมันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กว่าเพื่นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่า น, นี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสตรูเมื่อทุกอริยสัจเจ้ า, าเปิดจางเดินทัด สิทของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจัดการหาเหตุและทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสฏิปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งได้เห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าโลกตัวนี้มันเกิดมาจากกันหา 3, สามคือตามากันหาพระกันหาวิภระกันหา กามมาตัญหาทวาตัญหาวิภวาตัญหามันเกิดมาจากไสนเกิดมาจากอิทธารม่มคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิธารม่มคืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไสนเกิดมาจากตาหูจมูกเล่นลใจลดใจเราพอใจใจรัตสังข า, า, ารว่าอารมณ์ว่าอารเนน ตันหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดักที่ไหนพระอาเนนททนให้สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าจตรัสเทศนาพระองค์ตสเทศนาว่าตัญหามันเกิดที่อายะนาหกาตาหูจะูกลล่นตายในใจในขณะที่โลกเสียงเสียงลดสัมผัสทรอารมณ์ผ่านเข้ามา ในโลกเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสพระในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าเจดตดวงนี้มีสติสมบัติชันยะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ ย, ยึดในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นก้าจะว่าสัมผัสโลโลแล้วก็ปล่อยวางไปก็าอาศัยความที่ไม่ ย, ยึด ตัวสังขารจิตจังไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่เย็ดเพราะมีสติสคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกโกงว่าโลกนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจ็ตไม่นึกโกงว่าโลกนี้ที้เลยเราก็ไม่เกิดเกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงเรียนรับสัมผัสธรรมอารมก็เช่นเดียวกัน เมื่อเดตดโดยในสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สัตแต่ว่าสผัสตัวโลละจะปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเพี่ยงธรรมพ า, ายู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตร้างเด่นสว่างสวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรทานเข้ามาท่านไม่สนใจ มีความรู้เพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสตัวเท่านั้นจิตไม่หลงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความเย็นดีเย็นร้ายไม่มีเมื่อความเย็นดีเย็นร้ายไม่มีความมจัญหาภาวะมจัญหาวิภวะมัญหาก็ไม่มีเมื่อความมจัญหาภาวะมจัญหาวิภวะตัญหาไม่มีมจิตตัวนี้จะเป็นนิโรธเกี่ยวกับดับ ดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินไร้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งคาวญญ า, คามมรัญหาภาวะปัญหาวิภวะปัญหาเนี่เมื่อเราทำปติตามรู่องการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทานพูดคิดของเราอยู่โดยกระเท่าอย่างยางิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่ทจติตเราทำปติสําหนด์เรื่อยู่ที่จิตเม่สติสัมปชัญญ้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกที ความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเกิดต้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้เป็ผลที่จะงเกิดจากการทำสมาธิด้วยาการกําหนดจิตตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับกานดืม่มทำผููคิดในขั้นต้ น, ตนเราอาจจะใช้สฤฤติเพืตั้งใจให้มันเด่นพัดลงไปว่าก้าวหนอเดินหนอหนัง่งหนอกินหนอหนอนหน แต่เมื่อเราโฟกัสทำนี้ทำนานแล้วเพียงจะรู้อยู่กําหนดเจ็ดรู้อยู่ที่เจ็ดทำปฏิรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อตายปัจิตจังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายข้าใจจิตก็รู้ทำใหม่เราจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินเจตเวลาหยุดเดินจิตจะรู้ก็จิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจะรู้เราจิตเป็นผู้สั่ง และทานเดินทำโพจิตจโลทั้ทงนั้นก็จิตเป็นผู้สั่งไม่ในจิตเป็นผู้สั่งตายทําอะไรไม่ได้เมื่อตายกับจิตในยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทําอะไรได้สําเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาทำปฏิบัติรำสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทาได้สําเร็จหมด แต่ถ้าหากว่ากยายปจิจจ์แยกออกจากปันเมื่อไรหมดท้าตายก็ลังแต่จะน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของตายส่วนจิตก็จะจิตติจากล่างกะเชี่ยวแสวงหาจี่เกิดใหม่ึ่งสุดแทบจะบุญตันในขณะที่จิตจะเบยญาเออกจากล่างไปลอยเดินอยู่เท่านั้นเอาไม่มีอวัยะวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่ แต่ถ้าสาบอดรู้ว่ามีตายเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นก็เกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้จะเป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดที่จะระนานรู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวใจจะไปมุ่งที่จะรู้โลกต่าโลกอื่นรู้แล้ว็ำไมมีประโยชน์อะไร ภาวนาเราไปเห็นเท ว, วดาเทวดาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองดองในหม่อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นกล้วเห็นแล้วเต็มท่านจะช่วย เ, าเราเราไม่ได้การปฏิบัติทำตามแนวทางแองและพระเจ้าที่ถูกต้อง โยเทการสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะโรละตที่ตัวเองสามารถเย็นหยัดตัวโดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรโอเธอทำเมยสังโตหรืออารมณ์ที่กาหนดรู้เป็นแต่เพียงสูนันจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบสั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญา แต่เรามีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วคําว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือสิ่งที่กาหนดใว้นั้นไม่มีความหมายเรามาําหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่เราสัมผัสรู้กับจิตได้สติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสําคัญ ต, คต่อไปเไาจะเรียนถึงเรื่องลักษณะของสมาธิย้อนปูเทศทันเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง หนึ่งสมาธิในฌานสองสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตรกวิจารณสีสุกเอตักตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งู้อยู่ที่จิตรล้ลอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสัเท่าไหร่ก็ตามจะเจอแต่ความว่าง ทรงเดยว่าอาตายาลังจายันะในมัสิดอร่อยเป้งฟางอยู่ในถ้ากรองนภาตันอ่างล้างเจตใจจัดการหาที่ยึตไปยึดินญานเรียกว่าจินญานังจายตนะเมื่ว่ามีจินยานกำหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดพระไตรบ์ระับจระทั่งถึงอาจินิยายนะในวัสัญญาในสัญญายตนะ จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเราจะนำทานท่อนนี้ท่านจึงเรียกว่าในวระสัญญานาสัญญ า, า, ญญาเจตนะาหากใครฏิบับกตามวิถีทองนี้เป็นการดำเพนทานแบบลูซีเป็นหลกสิดของข้อลูซีที่ผ่าเในอยอดีตก่อนพระทุกขจเสด เราคนนี้เขาทำสมาธิให้ละเอียดแล็กลงไปเรยวลงไปจนกระ ท, รรทรั่งตัวเองเกอดจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีภาษาในวนาสัญญาณาสัญญาเัต น, นะแต่จิตที่ดำเนินงทงนี้ก็ประกอบ ด, ด้วยองค์วิโตผู้จารติสุขเอกขจารเหมือนกันเพราะพูจจะ้ปราเมตสโลก็มาดำเนิน การวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตตุกวิจารตีสิสุเอตัคตาเหมือนตัดในละทิศาสนาพรามแต่เจ้าองค์บำเพ็นจิตของพระองค์ได้ถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาจิญญาณแต่ในวสัญญานาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกจะเข้าทางเล่น การเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาอเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าเวลาท่าน อ, อยู่ว่างบ้างท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นจะมาหากัจจะเข้าฌาน อ, อถึงสิบห้าวันอะไรทํานองนี้อนันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬากีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติเกีตเพื่อให้บรรลุมรรสผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบ สี่เรื่รองได้สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมโนปนิพันธ์เป็นฌานที่เจ็ดรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินด้วยจิจิตให้เป็นไปตามในที่เ่าในองค์แห่งสมาบัดเปิดแต่สมาธิในอริยมรรคเรีกยกว่ารัฐโนปนิพันธ์ ถงแม้ว่าเจตสงบละเอียดถึงขั้นทานสี่แล้วลยแต่นั้นเจตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งโลภราตถังเข้ามาให้เจตโลภอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแลปลงยัดใจอยู่เสมอเจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมกสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงยัดใจอยู่ทุกขณะ แต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงจะรู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตํารงอยู่ในความโล้จ้องเห็นสิงในลักษณะเช่นนั้นจิตเลอะตาว่าต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละเป็นปัิจะทำปัิจะทำย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ